สมุททยาสัจจะนิเทศ400ทุกขะสมุททยะอริยศาสตร์เป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกรมตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้นเกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคือปิยรูปษาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปษาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปษาตรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปษาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้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 เป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้เสียงเป็นปิยารูปสาตวรูปในโลกกลิ่นเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกรสเป็นปิยารูปสาตวรูปในโลกโพธพภะเป็นปิยารูปสาตวรูปในโลกธรมมารมเป็นปิยารูปสาตวรูปในโลก ตัณหานี <cendo> <im curves> oh ้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมรมณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมรมณนี้จักขูวิญญาณเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขูวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขูวิญญาณนี้โสตาวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานาวิญญาณ เป็นปิญารูปภาษาตรรูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปีญรูปภาษาตรรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิญารูปภาษาตรรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิญารูปภาษาตรรูปในโลกตัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จะกูสัมผัสเป็นปิญารูปภาษาตรรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสนี้โซตัดสัมผัสเป็นปิยรูราสาตารูปคานาสัมผัสเป็นปียรูราสาตารูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูราสาตารูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยรูราสาตารูปในโลกมโนสัมผัส เป็นปียรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปียรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากจักขุสัมผัสนี้ เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผสัสนี้รูปสัญญาความกำหนดหมายรู้รูปเป็นปิยรูปภาษาตรรปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญา เป็นปียารูภาษาตรูปในโลกคันทัสัญญาเป็นปิยารูภษาตรูปในโลกรสัญญาเป็นปิยาูภาษาตรูปในโลกโพธภาษสัญญาเป็นปิยาูภาษาตรูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยาูภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญญาเจตนาความจำนงในรูปเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รู ป, นะรปสัญญาเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญาเจตานานี้สัทธาสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตารูปในโลก คันทสัญญเจตนาเป็นปิยรูปัสาตารูปในโลกรสัญญเจตนาเป็นปิยรูปัสาตารูปในโลกโพธพะสัญญเจตนาเป็นปิยรูปัสาตารูปในโลกธรรมสัญญเจตนาเป็นปิยรูปัสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญเจตนา เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญาเจตานานี้รูปตัญหาความอยากได้รูปเป็นปิยารูปสาตารูปในโลกตัญหานี้เม er, ื่อเกิดก็เกิดที่รูปปัญหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปปัญหานี้สัทธตัญหาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลก คันทตันหาเป็นปียรูปัสาตารูปในโลกรถตัญหาเป็นปียรูปัสสตารูปในโลกโพธพะตัญหาเป็นปียรูปัสาตารูปในโลกธรมมตัญหาเป็นปียรูปัสาะตารูปในโลกตัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรมมตัญหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรมมตัญหานี้รูปวิตกความตรึกถึงรูป เป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เก erm ิดที่รูปวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัตววิตกเป็นปิยารูปภาษาตรรูปในโลกคันทวิตกเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกรถวิตกเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกโพธิพาวิตกเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลก ธรรมวิตกเป็นปียารูปสาตะรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารความตรองถึงรูปเป็นปียารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารนี้ สัตววิจารเป็นปิยรูปสัตตรูปในโลกคันธวิจารเป็นปิยรูปสัตตรรูปในโลกรถวิจารเป็นปิยรูปสัตตรรูปในโลกโพธพาวิจารเป็นปิยรูปสัตตรรูปในโลกธรมาวิจารเป็นปิยรูปสัตตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรมาวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรมาวิจารนี้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 ก็ตัณหานี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนคือปฏิยารูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยารูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยารูปสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยารูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุนี้โซตะเป็นปิยรูปสาตรรูปในโลกคานะเป็นปิยรูปสาตระรูปในโลกชิวหาเป็นปิยารูปสัตตระรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสัตตระรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที Baptist, LE ่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปนี้เสียงเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกกลิ่นเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกรสเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกโพธพภะเป็นปิยารูปสาตรูปในโลก ธรรมารมเป็นปิยารูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมารมนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมารมนี้จะคู่วิญญาณเป็นปิยารูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จะคู่วิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่จะคู่วิญญาณนี้โซตาวิญญาณเป็นปิยารูปสาตารูปในโลก คานวิญญาณเป็นปิย่รูปสาตรูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปิญรูปสาตรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิญรูปสาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิญรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จักจูสัมผัสเป็นปิญรูปสาตรูปในโลก ปัญหานี there, world, ้เมื่อละก็ละที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสนี้โซตตาสัมผัสเป็นปิยารูปสาตารูปในโลกคานาสัมผัสเป็นปิยารูปสาตารูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยารูปสาตารูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยารูปสาตารูปในโลก ตัณหานี้เ <Leben> ม <urs> ื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปียรูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตารูปในโลก เวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเป็นปิยรลูปัสตาตูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรลูปัสตาตูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรลูปัสตาตูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรลูปัสตาตูปในโลกตัณหานี้เมละกละที่เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดับที่เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาเป็นปียรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาเป็นปียรูปภาษาตรูปในโลกคันทะสัญญาเป็นปียรูปภาษาตรูปในโลก รสัญญาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกโพธพพสัญญาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลก ตัญหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญญะเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญาเจตนานี้สัทธาสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปัสาตารูปในโลกคันท่สัญญาเจตนาเป็นปิยารูปัสาตรูปในโลกรสสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปัสาตรูปในโลกโพธพพาสัญญาเจตนา เป็นปียาูปสตาตูปในโลกธรรมสัญญาเจตนาเป็นปียาลูปัสตาตูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญาเจตนาเมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญาเจตนารูปตัณหาเป็นปียาลูปัสตาตูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปตัณหานี้ สัททัตัญหาเป็นปิยรูปสาตตระรูปในโลกคันทัตัญหาเป็นปิยรูปสาตตรูปในโลกรสัญหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโพธพัตัญหาเป็นปิยรูปสาตตระรูปในโลกธรมมตัญหาเป็นปิยรูปสาตระรูปในโลกตัญหานี้เมื่อละก็ละที่ธรมมตัญหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรมมตัญหานี้ รูปวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้มืละก็ละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้สัทธาวิตกเป็นปิยรูปสัตตรูปในโลกคันธาวิตกเป็นปิยรูปสัตตระรูปในโลกรถวิตกเป็นปิยรูปสัตตรูปในโลกโพธพาวิตกเป็นปิยรูปสัตตรูปในโลก ธรรมวิตกเป็นปิยรูภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมะวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูภาษาตัรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารนี้สัทธาวิจารเป็นปิยรูภาษาตรูปในโลก คันทวิจารเป็นปิยรูตสาตรูปในโลกรถวิจารเป็นปิยรูตสาตรูปในโลกโพธพาวิจารเป็นปียรูปสาตรูปในโลกธรรมาวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมาวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมาวิจารนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัตว์